วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะที่เอามาแสดงในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าเรามาเกิดกันทำไมเป้าหมายของการมาเกิดคืออะไร เราต้องการอะไรจากการมาเกิดถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าเรามาเกิดเพื่อหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นความสุขที่ได้จากโลกธรรมทั้งสี่คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆแต่ความสุขเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเพียงความสุขอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นความสุขแบบยั่งยืนถาวรเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือมีการหมดไปมีการเสื่อมไป เวลาเกิดอาการเปลี่ยนไปเสื่อมไปหรือหมดไปความสุขที่ได้รับจากมันก็จะหายไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจการมาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับการมาหาความทุกข์นั่นเองนอกจากความทุกข์ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้แล้ว ยังมีความทุกข์ที่ได้จากการมามีร่างกายอีกด้วยร่างกายของเราที่เราได้มานี้เมื่อเกิดแล้วต่อไปมันก็จะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยล้วจะต้องตายไปในที่สุดไม่มีใครสามารถยับยัง้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ไปได้ ตราบใดที่ยังมีการมาเกิดอยู่ตราบใดที่ยังมีความคิดว่าการมาเกิดนี้เป็นการมามาได้ความสุขถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ฟังอีกด้านหนึ่งของของการมาเกิดว่าความจริงการมาเกิดของเรานี้ไม่ใช่เป็นการมาหาความสุขเลย แต่เป็นการมาหาความทุกข์โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดรอบครอบที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบด้านกันเรามองโลกนี้เพียงด้านเดียวโลกของความสุขแต่เราไม่มองอีกด้านหนึ่งของโลกนี้คือโลกของความทุกข์ มันเป็นของที่มาคู่กันเป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านโลกนี้ก็เป็นเหมือนเหรียญที่มีทั้งด้านที่เป็นความสุขแล้วก็มีด้านที่เป็นความทุกข์เราไม่สามารถที่จะเอาเพียงด้านเดียวได้ถ้าเราเอาสุขจากโลกนี้เราก็ต้องเอาทุกข์จากโลกนี้ไปด้วยมาด้วยถ้าเราไม่ต้องการจะเอาทุกข์จากโลกนี้เราก็อย่ามา เอาความสุขจากโลกนี้ก็คือเราอย่ามาเกิดดีกว่านั่นเองอ น, นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเกิดถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์และการที่จะทําให้ไม่มีความทุกข์ก็คือการไม่มาเกิดนั่นเอง และการที่จะไม่มาเกิดได้เราก็ต้องรู้จักวิธียุติการเกิดเราก็ต้องรู้สาเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจากอะไรถึงพาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้มาพบความจริงของสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อย เราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเลยเพราะปัญญาความสามารถความรู้ความสามารถของพวกเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงในระดับนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่แหลมคมที่ได้สะสมได้สร้างบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนาน จนสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งสองด้านมองทั้งด้านที่เป็นสุขและมองที่ด้านที่เป็นทุกข์มองครบถ้วนบริบูรณ์ของความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของโลกได้ว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะโลกนี้เป็นโลกของความไม่ ยั่งยืนถาวรในโลกที่เราไม่มีใครสามารถที่จะมาควบคุมบังคับมาสั่งให้มันยั่งยืนถาวรให้มันให้ความสุขเพียงอย่างเดียวมันต้องมีการพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นลาบยศสรรเสริญจะเป็นรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสล้ลวนเป็นของไม่เทีย่ยมล้วนเป็นของที่ไม่มีใครสามารถ <c oughs> เปลี่ยนให้มันสั่งให้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนได้เ <c oughs> มือม่อเมือ่อเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าใครไปยึดไปติดกับความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันพลิกจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่งจากด้านที่เป็นสุขมาเป็นทุกข์ขึ้นมาอนนี่คือปัญญาที่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวของเราเองคือปัญญาในตายลักษณ์นี่เองปัญญาของ <c oughs> ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นตายรักล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้เห็นได้อย่างชัดเจนและรู้วิธีที่จะทำให้หลุดออกจากการมายึดประติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นตายรักนี้ได้ หลังจากที่พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์พระ อ, องค์ก็ทรงนำวิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้ได้นำเอาไปปฏิบัติเพราะเมื่อได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงปฏิบัติมาแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรจะทําความเข้าใจเป็นอันดับแรกที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือเรามาเกิดทําไมเรามาเกิดเพราะหยุดการเกิดเพราะการเกิดเป็นการหาความทุกข์นั่นเองเป็นการเข้าหาความทุกข์เพราะโลกที่เรามาเกิด เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกเป็นเป็นโลกที่เป็นโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับให้มันผลิตให้แต่ความสุขเพียอย่างเดียวเมื่อไปยึดไปติดไปอยากให้มันให้ความสุขเวลามันเปลี่ยนเป็นความทุกข์ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราจะต้อง <c oughs> เข้าใจในลำดับแรกเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตของเราปกติถ้าเราไม่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังรมเราก็จะมีเป้าหมายของการที่เราจะพัฒนาราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นเช่นมีเงินทองก็อยปีนี้มีเท่านี้ปีหน้าก็อยากจะมีให้เพิ่มมากขึ้น มียศมีตำแหน่งระดับนี้ปีหน้าก็อยากจะให้มันสูงขึ้นมีรางวี่รางวัลในเกียรติยศมีการสรรเสริญยกย่องยินยอปีนี้ก็อยากจะให้มันมีเพิ่มมากขึ้นการได้เสรีรูปเสียงกิจลดในรูปแบบต่างๆก็อยากจะให้ได้เสียห้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะติดพันอยู่กับการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากการเสพรูปเสียงกิจลดผลทพะถ้าตราบใดที่ราบยศสรเสริญมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราจะต้องทุกขกับมันเราก็จะยินดีคอยหามันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าตราบใดที่ร่างกายของเรายังสมบูรณ์แข็งแรงยังสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อยู่ เราก็จะหลงเราก็จะเพลิดเพลินกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวันใดวันหนึ่งชีวิตของเราจะต้องสะดุดลงจะต้องพบกับภาวะล้มเหลวของบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นภาวะของการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสทวดตะพาชนิดต่างๆ หรือความเสื่อมของร่างกายของเราพอาเกิดความเสื่อมขึ้นมาความทุกข์ก็จะประดังเข้ามาทันทีความสุขที่เราเคยสามารถที่จะหาได้ก็จะสะดุดลงไปจะไม่สามารถไปหาความสุขอย่างต่างดังที่เราเคยหาได้แล้วชีวิตของเราก็จะเริ่มมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเครียด ความกลัวต่างๆไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายถ้าเราไม่มาจัดการกับความเห็นของเราว่าการมาเกิดของเรานี้ไม่ได้มาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง ทุกขมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นของเที่ยงไม่ได้มันมีการเปลี่ยนไปเนรื่อยๆมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราคือเราจะไม่มาหาความสุขจากสิ่งแล้วต่างอะไรนอกนี้แต่เราจะมายุติการที่เราจะมาหาสิ่งต่างๆแบบนี้ เพราะถ้าเราไม่หยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้เราจะทุกข์มากขนาดไหนก็ตามหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากความหลงผิดนี้ก็ไม่ได้หายไปจากใจความอยากและความหลงผิดนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปให้ไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปเจอกับความทุกข์แบบเดียวกับที่เราเจอกันในในในโลกในขณะนี้มันก็จะมีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆจากพบนี้ก็ไปสู่พบหน้าจากพบหน้าก็จะไปสู่พบต่อๆไปเรื่อยๆถ้าตาบใดเรามุ่งไปที่การหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ความอยากที่มีในใจมันก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปความหลงหรือความผิดเห็นผิด ก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไปแต่หมดสิ้นไปได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราถ้าเราต้องการที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเราไม่ต้องการจะพบกับความทุกข์ต่างๆเราต้องมาหยุดการเกิดเท่านั้นเพราะการเกิดนี้จะทำให้เราจะต้องมาทุกข์กันอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่เกิดเราก็จะไม่แก่เราก็จะไม่เจ็บเราก็จะไม่ตายถ้าตาบใดเรายังมีการเกิดอ ย, er, อยู่เราก็จะต้องมีการแก่การเจ็บการตายไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องมาหยุดการเกิดให้ได้เมื่อเราหยุดการเกิดได้แล้วเราก็จะได้หมดทุกข์หมดภัยเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะการไม่กิมาเกิดนี้จะทาให้จิตของเรา นั่นอยู่ในพระนิพพานนั่นเองพระนิพพานก็เกิดที่เป็นบาล ม, มสุขเป็นโลกทิพย์เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นสูงสุด ข, ของโลกทิพย์โลกทิพย์นี้มีสวรรค์หลายชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็สวรรค์พระอริยบุคคลคือสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพาอาระอรหันต์ทั้งหลาย mm hmm. เป็นสวรรค์ที่สูงสุดและยั่งยืนที่สุดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด แต่อย่างอื่นนี้สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมยังเสื่อมได้ <c oughs> แต่ก็ยังดีกว่าการที่จะต้องไปเกิดในอบายอบายที่เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์บชาติที่มีแต่ความทุกข์คือพบของเดลฉานพบของเปรตพบของอสูรกายและพบของนรก <c oughs> ถ้าตราบใดเรายังมีการเวียน่ายตายเกิดอยู่มีการมาเกิด มาหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่เราก็อาจจะต้องมีการทำบาปทำกรรมไปด้วยเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าบางครั้งบางโอกาสเราก็อาจจะมีโอกาสได้ทำบุญบ้างแล้วแต่ภาวะของ ส, าสถานะการยนินการทองของเราและความรู้สึกของเราในเวลาต่างๆบางเวลาเราก็อาจจะมีความรู้สึก ใจบุญอยากจะทำบุญก็มีบางเวลาเราก็อาจจะมีความรู้สึกอยากจะทำบาปก็มีการทำบุญและทำบาปในระหว่างที่เรามาแสวงหาความสุขต่างๆนี้มันก็จะสะสมเข้าไปในใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นตัวที่จะส่งให้เราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มันจะส่งให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายก่อนถ้าบาปที่เราทำไว้มากกว่าบุญบาปก็จะเป็นตัวดึงใจให้เราไปเกิดในอบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้เราไปเกิดในสวรรค์พอบุญหรือบาปที่เราที่ส่งเราไปเกิดในอบายหรือในสวรรค์ลดลงมามีกำลังเท่ากันคือบาปก็ไม่สามารถดึงเราไปอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้ เวลานั้นเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเหตุที่พาให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆสามประการด้วยกันความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าการวัฏฏัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะัฏหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะันหาความอยากทั้งสามนี้ เป็นตัวการที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดส่วนเราจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดไม่ดีก็อยู่ที่บุญเรือบาป ท, ที่เราได้ทำกันเอาไว้ถ้าเราอยากจะ <c oughs> ยุติการกำมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแต่ถ้าเรายังหยุดความอยากไ ม, ไม่ได้หมดเรายังจะต้องกลับมาเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่เราก็ควรที่จะมา สร้างบุญสร้างคุณสมไว้ให้มันมีมากกว่าบาปเพื่อที่เวลาที่เรายังต้องกลับมาเกิดยังไปไม่ถึงนิพพานเราจะได้เกิดในสุคติเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเราได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายวิธีที่จะทําให้เราไม่ไปเกิดในอบายให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทําอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือ ให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปนี้เป็นเหตุที่จะพาให้ใจของเราไปตกนรกไปเกิดในอบายนั่นเองไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นหนศรกายหรือไปตกนรกขึ้นอยู่กับบาปที่เราทํากันถ้าเราไม่ทําบาปมันก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้เราไปสู่อบายทั้งสีน่นี้เหมือนกับคนที่อยู่ในโลกนี้ถ้าไม่ทําผิดกฎหมาย ก็จะไม่ไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็จะต้องถูกกฎหมายจับตองเข้าไปลงโทษในคุกในตารางถ้าไม่อยากติดคุกติดตารางก็เพียงอยากไปทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็อย่าไปเกิดในอบายก็อย่าไปทำบาป พยายามละทำบาปบาปก็มีอยู่ห้องห้าข้อซ้ำก็คือการฆ่าสา์ตัดชีวิตการรักย์การประพฤติผิดในการมและการพูดปดโกหกหลอกลวงและการดื่มสุรายามเมาเท่านั้นเองถ้าเราสามารถรักษาการไม่กระทําบาปหข้อนี้ได้ก็คือรักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้ใจ ให้ดวงวิญญาณของเรานี้ไปเกิดในอบายอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสําคัญเพราะอบายนี้มันเหมือนกับการไปติดคุกติดตารางในโลกนี้ในโลกนี้เราก็รู้ว่าคุกตารางเป็นยังไงเป็นที่กักขังเป็นที่เราไม่สามารถมีอิสระภาพที่จะทอะไรตามความต้องการของเราได้แล้วก็อยู่กันแบบอดอยากขาดแคลนอยู่กันแบบ พออยู่พอกินไปวันวันหนึ่งไม่มีความสุขไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางยึงไม่ค่อยมีใครกล้าทำผิดกฎหมายกันพวกที่ไม่กล้าทำผิดกฎหมายก็ปลอดภัยจากการไปติดคุกติดตารางฉันใดพวกที่ไม่กระทาก็บาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูตปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆก็จะสามารถ ป้องกันให้ใจไม่ต้องไปเกิดในอบายได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งคือปิดประตูบายด้วยการไม่กระทำบาปแล้วก็มาที่สู่ที่ข้อที่สองเมื่อปิดประตูบายได้แล้วก็ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็มาทาบุญทำทานกนัมาทำความดีกันมาทำสิ่งที่เป็นคนเป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทากับพระทากับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญ ทำกับบุคคลอื่นก็ได้เช่นทำกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาภูญยาตายายครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เขา <c oughs> ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราที่เราอยากจะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเหมือนเราเช่นไปทำบุญกับโรงพยาบาลเป็นต้น โพยาบาลก็เป็นที่รักษาพยาบาลเวลาที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะทำกับพวกสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้นการกระทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการสร้างความสุขให้กับใจและความสุขนี้แหละที่จะเป็นสวรรค์ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ถ้าใจมีบุญมากกว่ามีบาปบุญก็จะเดืองใจให้ไปอยู่ในสวรรค์อันนี้คือข้อที่สองในการที่เราจะต้องการที่จะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรืออย่างน้อยถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ให้มันเวียนว่ายตายเกิดในซิกที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็ให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นเทพหรือชั้นพรหมก็ได้ แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กเ็เป็นมนุษย์ที่มีบารมีมีความสุขมีความมั่งคัง่งในฐานะการเงินการทองเป็นต้นแล้วก็กลับมาทําบุญต่อกลับมารักษาศีลต่อไม่ทําบาปต่อแล้วก็ตายไปก็ไปสวรรค์ต่อก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมากําจัดเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งว่าเป็นข้อที่สามของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ชำระซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระเหตุที่พาให้เรามาเกิดนั่นเองเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือกามัตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นตัวที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรา <c oughs> เสดกามัตัณหาเราก็จะมาเกิดในกามาพบ ถ้าเราเสพภาวะตันหาก็คือเสพรูปประชานเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปประพรมถ้าเราเสพอารูปประชานก็คือนีภาวะตันหามันก็จะพาให้เราไปเกิดสวรรค์ชั้นอารูปอารูปประพรมแต่ยังพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ ละความอยากจะเสพการละความอยากที่จะเสพรูปประชานละความอยากที่จะเสเพารูปประชานเบื้องต้นเราก็ต้องมาละการเสพการมคุณด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพการมาคุณมาหาความสุขจากรูปประชานเลื้อรูปประชานคือเข้าสมาธิไปเวลาจิตเข้าสมาธิจิตก็จะพบกับความสุข ที่เหนือว่าความสุขของรูกของของกลามของกลางมคุณหถ้าเรามีความสุขจากรูปประชานหรืออาลู ป, ประชานได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยความสุขของกลางมคุณห้าไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องมีแฟนสามารถอยู่คนเดียวนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วก็จะมีความสุขเราเราก็จะไปสู่รูปภพหรืออาลูปภพถ้าเราเสกรูปประชานได้ก็ไปสู่รูปภพ ถ้าอยากได้ความสุขที่ละเอียดกว่าก็คืออรูปปัจจานเราถ้ามีความสามารถเข้าถึงอรูปปัจจานได้เราก็จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นอรูปปฐมได้แต่สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ก็ยังเสื่อมได้อยู่เพราะอารูปปัจจานกับอรูปปัจจานก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดในทั้งสามภพเลยเราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปเบื้องต้นเราหยุดความอยากจากการเสก จากเสพกามคุณหได้ด้วยการใช้ปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราสามารถยับยั้งความอยากความอยากเสพปปกามคุณหได้แบบชั่วคราวแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเสพกามคุณห้าอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาการมคุณห้าว่าเป็นทุกข์เป็นตายรักนี่เองเป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็น สองเที่ยงได้เราก็อยากไปอยากเสพมันเพราะเราหยุดความอยากเสพได้เราก็ไม่ต้องไปกลับไปเกิดในการมมาพบพบของมนุษย์พบของเทวดานั้นเราก็จะมาเสพ ร, รูปปัจจันทรรูปปัจจันแล้วเราก็จะติดกับรูปปัจจันทรรูปปัจจันเราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าแม้แต่รูปปัจจันทรรูปปัจจันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันก็ต้องมีเวลาเสื่อม เวลามันเสื่มมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปเสพมันอยู่แบบไม่มีการเสพรูปประชานไม่เสพมาูปประชานไม่เสพการมาคุณห้าอพอเราหยุดความอยากทั้งสามหมดสิ้นปรปจากใจได้ใจเราก็จะสงบแบบเป็นธรรมชาติสงบเพราะไม่มีความอยากที่มาคอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานั่นเองใจของเราก็จะอยู่กับความสุขที่ยั่งยืนถาวร ที่เป็นที่เรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุ ข, ขังนิพานก็คือใจที่สามารถกําจัดความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจได้กําจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้แล้วก็ใจที่ไม่มีความอยากทั้งสามก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงใจให้ไปเกิดอีกต่อไปดันั้นการกลับมาเกิดในโลกทั้งสามก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มาเกิด เป็นมนุษย์จะไม่มาเกิดเป็นพรหมเป็นเทพเป็นอะไรต่อไปเพราะความอยากต่างๆที่เป็นเหตุให้พาให้มาเกิดในภพอบภูมิเหล่านี้ได้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยปัญญาปัญญาที่พุะเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบ ก, ก็คือตายรักว่าโลกทั้งสามนี้เป็นโลกของตายรักอามาพบลูปะพบอรูประพบนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้น พอเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากในกางมาพบรูปประพบอรูปประพบก็จะหมดสิ้นไปเพราะไม่ต้องการที่จะไปหาความทุกข์นั่นเองถ้ายังไม่เกิดในภพทั้งสามอยู่นี้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของขอ ง, ของกางของรูปประพมของรูปประชานและของอรูปประชานนั่นเองนี่คือการที่เราจะมา <c oughs> ตอบคําถามและใช้การเกิดของเราให้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา แทนที่จะให้มันมาเป็นโทษกับเราก็คือเราต้องเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์การหาความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขถ้าเราไม่ต้องการเจอกับความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องหยุดการกลับมาเกิดนี้เท่านั้นเองและการจะกลับมาเกิดได้เราก็ต้องปฏิบัติทำสามข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและให้สักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากทั้งสามถ้าเราสามารถทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ผลก็คือเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดทุกข์ก็ย่อมไม่มีกลับผู้ไม่เกิดนั่นเองอ น, นี่คือธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้่อพอดีพอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติ การแสดงทำไว้เพียงเท่านี้และขั้นต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติทำกันเรามาปฏิบัติตามคำสอนตอนนี้เรานั่งเฉยๆเท่ากับเราไม่มีการกระทำบาปแล้วเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดในการมเป็นต้นแล้วเราก็มาซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบการทำใจให้นิ่งให้สงบเรียวกว่าเป็นสมาธินี้ เป็นการซักพอกแบบชั่วคราวเวลาจิตสงบความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหยุดทำงานก็จะหายไปชั่วคราวแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรจะหายไปอย่างถาวรก็ต้องรออีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญาหลังจากที่เราสามารถเข้าสมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากอีกต่อไปตอนนี้เรามาทำขั้นของสมาธิก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะหยุดความอยากไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันให้ให้มากๆกก่อนให้สามารถหยุดจิตให้อยู่นิ่งๆเฉยๆให้ได้ ให้ได้ก่อนแล้วเราถึงค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปวิธีที่ทําใจให้นิ่งให้สงบก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะหยุดใจไม่ให้คิดที่จะทําใจให้นิ่งก็คือสติคือการระลึกรู้ให้เราะลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจหยุดคิดอารมณ์ที่จะทําให้ใจหยุดคิดนี่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่แสดงไว้ในตํารานี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกัน ซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยทำบางชนิดมาแล้วถ้าชนิดไหนของกรรมฐานที่ท่านทำแล้วได้คุณได้ประโยชน์ได้ผลดีก็ใช้ต่อไปได้แต่ที่นี่เราก็จะแนะนำอยู่สามชนิดด้วยกันกรรมฐานคือหนึ่งการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูลมยังไม่ได้ถ้าบริกรรมพุทโธยังไม่ได้เพราะใจคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อน นี่เป็นกรรมฐานเวลานั่งสมาธิเราต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดด้วยการมีสติแล้วเลืกรู้อยู่กับกรรมฐานสติเป็นเหมือนเชือกผูกใจไว้ให้อยู่กับเสาเสาก็คือกรรมฐานเมื่อผูกใจไว้กับเสาใจก็ดิ้นไม่ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปอนี้คือวิธีการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้นิ่งเพื่อให้สงบไม่ต้องการรับรู้เห็นอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้ ต้องการหยุดจิตต้องการให้จิตนิ่งสงบให้มีความสุขก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาดูจิตมาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาคอยสกัดกัน้นเหมือนทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วค้นหาพบว่าเป็นความอยากนั้นความอยากนี้ก็ใช้ปัญญาใช้สมาธิกับ ป, ญญปัญญาหยุดมันได้เลยตอนนี้เรามาทําใจให้นิ่งให้สงบก่อนอยากคิดอะไรเวลานั่ง อย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏให้รับรู้จะเป็นเสียงก็ดีจะเป็นภาพก็ดีจะเป็นอารมณ์ก็ดีจะเป็นความคิดก็ดีหรืออะไรก็ตามอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานท่าที่เราใช้อยู่ถ้าใช้ลมก็ดูลมถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธถ้ายังใช้ไม่ได้ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็สวดไปก่อนถ้าสวดไปแล้วจนใจรู้สึกสบายสามารถดูลมได้หรือสามารถใช้พุโทโธได้ก็หยุดสวด แล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหรือบริกรรมพุโทโธต่อไปได้ทําอย่างนี้ไปจนกว่าจิตจะนิ่งจะสงบอย่าทิ้งกรรมฐานอย่าทิ้งสติสติต้องระลึลกรู้อยู่กรรมฐานอยู่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวจิตสงบแล้วเราจะรู้เองว่าเวลาจิตนิ่งจิตสงบจิตรวมแล้วมันเบามันสบายมันไม่ต้องทําอะไรแล้วมันกลายเป็นจิตที่เชื่องไม่ดือ้อไม่ดิน้นตอนนั้นเราจะรู้เองแต่เวลาที่เราตอนนั้นเราก็เพียงจะนั่งเฉยๆไป แล้วก็เลเพลินกับความสุขที่เกิดจากความสงบจนกว่ากำลังของสติแล้วอ่อนลงจิตก็จะค่อยถอนออกมาจากสมาธิต่อไปและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันประมาณยี่สิบห้านาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ตอนที่จะเลิกตรวจสังเกตวิธีนั่งของเราว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แวันหน้าเวลามานั่งใหม่จะใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยเราก็จะได้รับความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบ น, นี้มันจะไม่ทําให้สงบได้ถ้านั่งแล้วไม่สงบกแสดงว่าสติยังมีน้อยก็ควรจะฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่ง เราสามารถสกสติได้ทั้งวันทั้งแต่แบบตืนจนหลับพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆดูเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นในการนั่งสมาธิค่อดและสงบได้ง่ายขึ้นอันต่อไปนี้ก็จะขออนิโมธนาให้พรยะถาวาริวหานตุราบาลิปุรนมิสากลาง เอวามเรวาตทศนันเตตานุปปตติจิตังปจิตังสุมหังจิเมวะสนิจโตสะเรโตสังกาจังโทตนารัโยยัานาลิโตโยยาสัพพิปโยีวะสันโต สักโลคอลินัสตมาเวทวันตลายุสีายโกวอาทิวาสัสิลิตะนิจังุถาปะจายนุยตารธรรมวัตนติอายุวนโอสุขังาา ช่วงตอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่ได้รับคำตอบเพราะถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สอง9้อยเจ็ e สิบเกพัฒสุชาติไลฟ์สามร้อยห้าสิบยดรวห้าสิบปดวิทยุออนไลน์ห คลอหน้ากุฏิ178รวม873ค่ะอาค่ะใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้คำถามทาง YouTube กเตร V ค่ะทำไมเรียก32อาการครับทำไมไม่เรียก32ชิ้นหรือ32อวัยวะก็เรื่องของคุณนะคุณจะเรียกอะไรก็ได้เทนั้นนะอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ขอกลับเรียนสอบถามครับที่พระอาจารย์บอกว่าอุปจารสมาธิไม่มีประโยชน์ต้องสำเร็จก่อนในความหมายของพระอาจารย์คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะระยุ่งกับอุปจารสมาธิใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นพระอาหารหนะันต์แล้วค่อยไปยุ่งดีกว่า อ, อ๋อ่น ก, กิจกรรมนอกห้องเรียนถ้ายังไม่จบป ร, ริญญาอย่าเพิ่งไปเล่นกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ถ้าเราจบปัญญาแล้วมีเวลานะทีนี้เราก็ไป <c oughs> ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ไปช่วยคนนู้นเขาช่วยคนนี้ด้วย อ, อภิญญาได้แต่เราไม่สามารถเรอาอภิญญามาดับความทุกข์ใจเราได้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระสุชาติค่ะ <c oughs> มีสองคำถามข้อแรก เข้ามหาพรมมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทําไมพระพุทธเจ้าถึงบทอาราระดาบทกับอุทกกระดาบทเป็นพรหมเหมือนกันไม่ได้เจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่เข้าไม่มาหาท่านอย่างนถ้ามหาพรมมาแต่สองลูปนั้นท่านไม่เข้าอยู่ในฌานท่ไม่ออกมา <c oughs> ก็เลยติดต่อกับท่านไม่ได้คําถามข้อที่สองเวลาอ่านหนังสือธรรมะ คำคางได้ไหมกอดอกอ่านหนังสือได้ไหมเจ้าคะคือ <c oughs> ความสวยงามความเขารบมันจะไม่มีถ้าเราอยู่ในท่าสบายจนเกินไปเวลาเราศึกษาธรรมะเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนมีพระพุทธเจ้าเป็นครูนั่งสอนกับเราอยู่เราก็ควรจะเรียนด้วยอาการที่มีความเรียบร้อยเขารบคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะขอกราบถาม <c oughs> ว่า กา ม, มีโทษมากแต่มีสุขน้อยทำไมหนุ่มสาวถึงสแสวงหาคู่ชีวิตอยากสร้างครอบครัวแต่บางคนใช้ชีวิตโสดปฏิบัติธรรมทั้งสองอย่างมีความสุขตัวเดียวเหมือนกันไหมความสุขคนละชนิดกันความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่ดีกว่ากความสุขที่ได้จากการมีแฟนคำถามจากคุณพิมพ์รวิค่ะ ช่วงนี้จิตใจว้าวุ่นไม่สดใสและรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดเลยคิดว่าน่าจะมีความอยากอะไรบางอย่างลึกลงไปในใจควรทําอย่างไรดีให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอคะก็ต้องมีสติคอยยับยั้งความอยากความคิดให้ได้ก่อนไม่มีสติมันก็เลยปล่อยให้ความอยากความคิดออกมาสแสดงตัวพอมันสแสดงตัวก็พาให้เราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมางั้นเราต้องใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยาก ถ้าอยู่แล้วความความไม่สบายใจก็จะหายไปคําถามมีข้อค่ะเวลาปฏิบัติไปจนถึงขัน้นจิตเบื่อหน่ายคลายกําหนัดจิตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะจะเหมือนความเบื่อแบบโลกโลกไหมเจ้าคะไม่เหมือนหรอกเป็นความเบื่อแบบสบายความเบื่อแบบไม่อยากจะยุ่งกใครแล้วอยู่คนเดียวสบายกว่าคําถามจากคุณบอยค่ะ โยมปฏิบัติรู้ลมหายใจเข้าออกไกลจมูกกับบริกรรมพุโทโธพร้อมกันเมื่อมีความคิดเข้ามาจึงกาหนดพุโทโธถีขึ้นทำให้ไปบังคับลมหายใจเองให้เข้าออกถีถีตามพุโทโธถูกต้องไมมขอรับขอปัญญาพระอาจารย์ที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรนะครับเวลาต้องใช้พุโทโธที่เร็วกว่าลมหายใจก็ทิ้งลมหายใจไปเลยให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็พอ เพราะลมหายใจไม่สามารถที่จะเร็วตามพุทโธได้ <c oughs> คําถามสักคุณน้องกาค่ะคนที่เขานําหมาแมวไปปล่อยวดัดไม่ทราบเป็นบาปไหมคะและผลของการกระทํานี้มีผลต่อคนที่นําสัตว์ไปปล่อยที่วัดอย่างไรคะถ้าคุณเอาถ้าเราเอาหมาแมวไปปล่อยที่บ้านคุณบ้างจะเป็นยังไงคุณชอบไหมล่ะคุณก็ไม่ชอบมันเป็นภาระผักดันภาระให้ผู้ เป็นการไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเมตตาก็จะว่าบาปมันก็ยังไม่บาปถึงแบบขั้นร้ายแรงแต่ก็เป็นบาปแบบที่ทำทาให้ผู้อื่นเขาคาญเป็นภาระให้กับผู้อื่นตัวเองต้องการเอาตัวรอดตัวเดียวขอให้เราสบายคนอื่นจะเดือดร้อนก็ไม่ไม่สนใจเรียกว่าขาดความเมตตามากกว่าคำถามสกุลทอธรรมชาติค่ะ ถ้าเราปฏิบัติทานศีล <c oughs> ภาวนาฟังเทศนาธรรมพระอาจารย์เป็นประจําทุกวันมากเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ตั้งเป้าหมายสู่นิพพานผิดไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกขอให้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่การปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจะพาเราไปสู่พระนิพพานเองถ้าเราตั้งเป้าหมายที่พระนิพพานเราจะไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติต้องตั้งเป้าหมายที่การปฏิบัติคําถามจากุลจรัญญาค่ะ <c oughs> เมื่อเราฝึกสติที่ปัจจุบันได้บ่อยๆสังเกตพบว่าเราจะมีความเมตตา ม, มากขึ้นคือมีการอภัยมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นว่าเรามีความทุกข์เหมือนกันกับเราและไม่เสียเวลาไปกับอารมณ์ขุนมัวโดยใช้สติเบรกอารมณ์ขุนมัวเหล่านี้ปฏิบัติถูกหรือเปล่าเจ้าคะถูกต้องแล้วถ้าใจเราสงบมากขึ้นจะไหลเรามีความสุขมากขึ้นความเมตตาก็จะมีมากขึ้นตามไปถ้าใจเราไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความเมตตา เราจะมีแต่อารมณ์เสียอลรมก่โกรธคำถามจากคุณสมสกุลขออนุ ญ, ญาตะอาจา์ชี้นะครับเวลานั่งสมาธิ <c oughs> กำหนดนึกถึงความตายจิตจะอยู่ในความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงหากความสิ้นสุดของจิตที่ตกจากที่สูงในนั้นไม่เจอไม่ต้องไม่ต้องไปหามันให้รู้ตามความเป็นจริงให้รู้เฉยเฉยไปเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบเองคำถามจากทาง youtube พระสุชาติ ลูกเป็นแม่บ้านโรงเรียนวิเศษลูกดูแลด้วยการฉีดยา ก, กันยุงป้องกันโรคให้เด็กแต่ลูกไม่เห็นตัวเขาลูกจะบาปไหมคะถ้าเขาไม่ตายเขาไม่บาปถ้าตายก็บาปนั่นต้องสังเกตดูก่อนค่าเขาเขาอยู่ทางนั้นหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ก็เอาพัดไล่อะไรโบกไปก่อนแล้วให้ฉีดคำถามฝากถามค่ะปุตุชน หากรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์และรักษสังโยชน์เบื้องต่ําได้ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้เมื่อเป็นโสดาบันแล้วจึงค่อยเพิ่มระดับไปรักษาศีล8ความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกเพราะก่อนจะได้ไ ด, ไ, ดได้โสดาบันรัสังโยชน์ได้ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขามีอปปนาสมาธิในการจะสร้างสมาธิขึ้นมาก็ต้องมีศีล8ก่อนเป็นพุทธลัพธ์ทน หากนั่งสมาธิแล้วง่วงควรไปนอนพอตื่นก็นั่งสมาธิต่อหรือควรพยายามฝึกทำสมาธิต่อไปซึ่งมักลงเอยด้วยการนั่งสับ ป, ปะงกค่ะถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ไปนอนก่อนแต่ถ้าพยายามฝืนได้แล้วมันนั่งต่อไปได้โดยไม่หลับก็ฝืนไปแล้วแต่ว่าเรามีกําลังมากพอที่จะฝืนความง่วงได้หรือเปล่า คนที่มีสติดีเวลาหลับจะไม่ฝันใช่หรือไม่คะฝันน้อยคำถามจากคุณสุวรรณค่ะเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งเห็นแสงสีแดงสีขาวเห็นแสงอยู่ในอ ม, มงสว่างมากโยมก็ตามไปดูแต่ว่าพอตามไปก็ไม่ถึงสักทีเวลาหยุดก็อยู่ใกล้ๆ คิดว่าแล้วจะกลับยังไงก็เลยคิดถึงพุทโธโยมจะทำยังไงดีคะถ้านั่งแล้วเห็นแสงสว่างอีกอ ย, อย่าไปตามแสงอย่าไปตามรู้อะไรให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวสิ่งาต่างๆที่มันปรากฏมันก็จะหายไปเองคำถามจากคุณนิรุตค่ะ ขออนุญาตเรียนถามครับว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วชาติหน้าได้เป็นเทวดาเราจะมีโอกาสได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไหมแล้วเทวดาจะมีวิธีการเจริญภาวนาแตกจากมนุษย์อย่างไรบ้างครับถ้าเป็นเทวดาที่ไม่เคยนั่งมาก่อนก็จะไ ม, ไม่ไปนั่งแต่ถ้าเขามีมีอดีตเขาเคยนั่งสมาธิมาถึงแม้เป็นเทวดาเขาก็ทาใจของเขาให้สงบได้แต่ถ้าใจเขาสงบเขาก็ไม่เป็นเทวดาเขาจะไปเป็นพรหมแทน คำถามจากทางยู u ูบพัชสุชาติคุณเอกวิทย์ค่ะความคิดเป็นสังขารของจิตใช่ไหมครับความคิดปรุงแต่งในสังขารเป็นนามขันที่เรียกว่าชื่อชื่อสังขารสังขารขันความคิดปรุงแต่งคำถามจากทาง Facebook คุณดารินีค่ะปู่ดุชนแม่ชีเมื่อบรุอรหันต์ตายทันทีอยู่ได้ไม่เกินจิตวันจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอ มันไม่เกี่ยวกันตายเป็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระอาหารเป็นคารวะหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นคาราวาเมื่อถึงเวลาที่มันไม่หายใจก็ตายเด้อยกันทุกคนมันไม่เกี่ยวกันคําถามจากคุณเบวิสค่ะขอสอบถามครับว่าวันพระใหญ่ที่วัดคนเยอะมากถ้าเราไม่ไปเวียนเทียนที่วัดแต่เรามาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านแทนจะได้ไหมครับได้ ที่ไนก็ได้ที่เราปฏิบัติแล้วใจสงบก็ถือว่าเป็นการบูชาได้เหมือนกันถ้าไม่ต้องอยากสู่นิพพานปฏิบัติถือศีลทําบุญทําทานเจริญสิสมาธิภาวนาได้แค่ไหนแค่นั้นถูกต้องไหมเจ้าคะก็ได้เท่าที่เราทําได้ถ้าเราได้แค่ทําบุญรักษาศีลห้าได้เราก็ได้สวรรค์ชั้นเทพถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ได้สวรรค์รรรชั้นพรหมถ้าเรา ตัดกิเลได้ด้วยปัญญาเราก็จะได้นิพพานคำถามจากทาง u t ทู e พระสุชาติค่ะเวลาเดินจงกรมเราต้องกาหนดอะไรครับต้องเดินช้าประมาณไหนครับแล้วแต่เราเราสามารถเลือกได้เลาเดินจงกรมจะใช้พุธโธก็ได้เดินไปก็พุธโธพุธโธไปแต่ต้องดูทางที่เราเดินด้วยข้างหน้าจะได้ไม่ไปเหยียบอะไรจะเดินช้าเดินเร็วก็ได้แล้วแต่เราถ้า ง, ง่วงอาจจะเดินเร็วหน่อย ถ้าไม่ง่วงเดินแบบสบายๆก็ได้แต่ไม่ต้องเดินแบบหัดเดินอันนั้นมันมันช้าเกินไปยกหนอะก้าวเนอวางหนอมันมันช้าเกินไปไม่จําเป็นต้องช้าขนาดนั้ น, น, น, นเดินให้มีสติอยู่กับการก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาไปแค่นี้ก็พอคาถามจากคุณเอกวิทย์ค่ะ ได้เจอพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์รวมทั้งคำสอนพระอาจารย์ด้วยแบบนี้ต้องหาทางเร่งปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ใช่ไหมครับจำเป็นต้องสร้างบา ร, รมีเพิ่มอีกไหมครับก็นี่แหละการปฏิบัติก็เป็นการสร้างบารมีภายในตัวอยู่แล้วคำถามจากทางเฟ e b o o กคุณไว้โลตัสค่ะจิ้งจกหลุดเข้ามาในรถกลัวจิ้งจกมากโดยเฉพาะอาจจะ ก, กระโดดเกาะเท้าช่วงขับรถ ทำให้ตกใจเกิดวบัติเหตุระหว่างขับรถจึงเปลี่ยนไปใช้รถคันอื่นแทนและจากรถคันนั้นไว้ที่บ้านเฉยๆจะปากบากไหมคะไม่บากหรอคำถามจากทาง Facebook ด็อเตอร์วีค่ะออกเป็นคำท่านเดียวกันค่ะส่งสองชาแนลวันเทไรมีใครอยากจะถามไหมข้ามาจะสง่ง ส่งไม่ไปทั้งหมดส่งไม่ไปเลยพูดตรงไปหน่ะกาบสาธุเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะมีคําถามอ่าในการเดินจงกรมอ่าเราเอาสติไว้ที่อ่าลมหายใจหรือเราเอาสติไว้ที่การเคลื่อนไหวของเราอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ คือดูเรามันมันยากกว่าเพราะเรามันละเอียดดูยากค่ะดูเท้าดีกว่าดูการก้าวเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะในระยะการเดินไกลๆเช่นเราออกเดินทุดงในระยะไกลๆการเดินแบบนี้เราจะเอาสติไปจับที่การเคลื่อนไหวของเท้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเดินมันถ้ามันไม่เรียบร้อยอันนี้ ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ย ว, วเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ทำการขอให้มีสติอยู่กับการเดินเรียบร้อยแล้วแต่ใจลอยก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะอยู่ที่ที่สตินะคะใช่ค่ะสาธุ ค, ค่ะมีมาเพาิ่มไหมยมีสองคำถามค่ะ คำถามจากทาง Facebook คุณดารินีเห็นกระแสทุกผุดออกบ่อยๆโดยไม่เห็นเหตุอาการแบบนี้คืออะไรคะยังไม่มีสติปัญญาคำถามจากทาง YouTube พัสุชาติค่ะคุณออโต้ถ้าอยากบอกบางอย่างกับคนอื่นแต่ไม่กล้าบอกควรใช้สติหรือทำอย่างไรดีครับใช้อุเบคาเฉยๆไปคำถามหมดเจ้าค่ะหมดแล้ว มีคำถามทัมลองไหมวันนี้ไม่มีใครอยากจะถามเชิญถามได้น ะ, ะชงทำการวิจัยค่ะเราใช้สัตว์ทดลองค่ะใช้หนูทดลองในการทำวิจัยแล้วทีเนี้ยมันบาปไหมคะถ้าทำเพื่อการศึกษาแล้วก็ถ้าสมมติว่าบาปทำยังไงให้บาปน้อยที่สุดค่ ะ, ะหนูเป็น สัตร์ที่เขาไปวิจัยนี่หนูจะว่าไงนั่นนหะชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันเรารักชีวิตเราเขาก็รักชีวิตเขาเราไปทำรายชีวิตเขาก็เป็นบาปหนักเหมือนกับทำรายชีวิตของเรางั้นเปลี่ยนอาชีพดีกว่าอาชีพมีท้งเยอะแยะที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปเข้าใจัหมเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ มีคำถามต่อเนื่องเรื่องจิ้งจก์่ะคะ่ะเอเอบอกว่าถ้าเจตนาจะไม่ใช้รถคันนั้นที่มีจิ้งจกเลยตลอดสามเดือนพอมาใช้อีกทีจิ้งจกตายในรถจะบาปไหมคะถ้าเราไปล็อกประตูล็อกทุกอย่างไม่ให้มันออกก็บาปแต่ถ้าเรามีช่องเปดิดมาให้มันเป็นอิสระภาพสามารถออกได้เข้าได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแล้วเราทำดีที่สุดแล้ว มีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากทางย t u b e พระสุชาติถ้าเกิดอาการกลัวหรือตื่นเต้นควรทำอย่างไรครับให้บริกรมรมพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเดี๋ยวเจ้าค่ะอาการกลัวก็จะหายไปหมดแล้วนะห ม, วหมดแล้วก็เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต